ท่านผู้ชมที่เคารพครับทุกเย็นวันศุกร์ 16:30 น. จนถึง 17:00 น. น, น. น. น, 17 น. น, น, น5 แห่งนี้ๆซึ่งเราได้ จังหวัดนครปฐมใกล้ๆเนี่ยไปนมัสการหลวงพ่อๆท่าน แช่มไหนวัดไหนเนื่องมาจากหลวงพ่อ ความสถาลุ่มใสจมุนมากที่พยายามเดินทาง 2406 ซึ่ง อยู่หัวราชการที่ 4 ที่ตําบลตาก้องบิดาคงชื่อกันส่วนมารดานั้นไม่ชื่อในตํานานซึ่งเราพยายามค้นคว้าทราบแต่เพียง เรเรเรเรากันว่าท่านมีรูป 45 ปีก็หายไปจากบ้านหาย เพราะแม่ก็ได้สนใจแต่ที่แท้จริงแล้วท่านได้ไป 4-5 ปีขอปีจึงเดินทางกลับ แต่เนื่องจากที่ท่านเคยเป็นคนเที่ยวตระเวนพอ แต่ไม่อยู่ครั้งหนึ่งไม่มีอายุประมาณสน 17-18 ปีโดยที่ท่านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่ท่านมีจิตใจที่ จึงทําให้ท่านเลิกสนใจเนื้อหนังของสตรีไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน สมัยที่หลวงพ่อได้สัมผัสกับหลวงพ่อแช่มนะอ่อ 4, 4. แล้วก็ท่านก็บวชบวชอยู่ที่วัดตา นงนทังไตรชาดแล้วก็สมัยเมื่อสงครามอินโดจีนนี่ท่านโด่งดังมากแล้วก็เถาเอ่อหัวลําโพงเลยมากเอาท่านไปได้แล้วอีกประการ มหาคฤหบ่แช่มเป็นภูเพที่มาด้วยกันแล้วก็ภูเพเนี่ยได้นําเอาสายมหาคฤหบ่แช่มเสกเมื่อ มันอาศัยมีโอกาสที่จะมาดูแลบ้านข้างนอกหลาย มาได้กันมั่งอะไรมั่งเข้ามาเล่าให้ฟัง เช่หมวดตาก้องท่านอุปสมบทที่วัดตาก้องแล้วท่านได้เดินทาง เพราะฉะนั้นอันได้รับใช้หลบพ่อทาอยู่ประมาณ เมื่อท่านโหดได้ 5,000 ศาอันถือได้ว่าท่านมีความเก่งกล้าในวิชา <td>นิติ ศึกษา</td> มากท่านจึงได้เดินทุรดงไปสถานพระปฐมเจดีย์เดินทาง เมื่อจึงอนุญาตอาจารย์เห็นถึงความตั้งใจจริงจึงอนุญาตญาติได้ แอบซี่ลูกกระท่อมอยู่ที่ป่าเชิงเขามีหนวด ของปรุงทรงแต่นักอวดอมอาศก็พยายามๆเกี่ยวกับธรรมะหาเอ่อพลตรีคือ ท่านก็เล่าให้ฟังว่าไอ้หลวงพ่อแช่มเนี่ยแปลกเมื่อสมัยคุณพ่อท่านเองว่ายังมี คนขี่ม้าเอามาให้หลวงพ่อขึ้นมาพอไม่ไปให้ให้ไปข้างคนขี่ม้าก็ขี่ม้า ก็ทําเหมือนว่าแชมป์ไปไปถึงบ้านก่อน วันจาท่านได้ศึกษากับนักบูชาพม่าแล้วท่านก็ได้เดินทางกลับมายังวัดพระเนียงแตกท่านก็เข้าไปนมัสการหลวงพ่อตาเพื่อขออนุญาตกลับไปจําพรรษาที่วัดตาก้องบ้านเกิดเพื่อที่ท่านจะได้อยู่ใกล้คิดญาติโยมบ้างตอนที่ท่านมาอยู่ที่วัดตาก้องนั้นอาจารย์เกลือเจ้าอาวาสเป็นคนใจ เป็นลุงร้อยกับหลวงพ่อแช่มเพราะหลวงพ่อแช่มอันเคยกับการ ท่านกลับยิ่งทําอะไรแปลกๆมากขึ้นเช่นท่านทํานาเวียนและท่านยังขุดบาทและท่านได้แยกตัวออกไป ไม่ร่วมก็กรรมใดๆกับพระภิกษุในวัดเป็นพระที่ขยันไม่เคยอยู่เฉยๆจะสร้างนู่น<อ> ดีกาสมัยเก่านะ 2466 และจุรามนีนี่ 2466 ก็มีคนจีน เป็นคนที่เป็นผู้เป็นหัวหน้าเป็นคณะคณะคณะริเริ่มสร้าง เอาธูปเทียนดอกไม้น่ะให้กับคนคนที่ ปิดทองรอยพระพุทธบาทบ้างปิดทอง การท่านก็ไม่เคยมีใครบ่นว่าเหม็นสักคน 20 ปีเศษใช้ชีวิตอยู่ในร่ม ไอ้อาปนาม 90 ปีเศษทันก็ล้มป่วยลงท่านก็ล้มป่วยลงนอนป่วยอยู่หลายวันมี การพัฒนาวัดที่ท่านได้ดําเนินครับอืมการการพัฒนาวัดสร้างวัดเนี่ย <c oughs> 20 ปีแล้วที่ที่ได้ดําเนินการพัฒนามา 20 ปี ก็พอได้ร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันสร้างสรรค์ปีเนี่ยขั้นแรกก็สร้างอุโบสถครับอุโบสถหลังปัจจุบันเนี่ยก็สร้าง และพอหลังจากนั้นก็ชั้นชั้น ประชาชนของบ้านไก่บ้านไก่มาทํามา การตํารณของท่านด้วยความเลื่อมใสศรัทธาที่ไม่เคย ประกอบสร้างนั้นอยู่ที่ทําเสร็จแล้วก็มีวิหารหลวง มาสร้างกุฏิกุฏิเนี่ยเดิมทีเดียวเป็นโรงปั้นหญ้าทั้งหมดจะเป็นหอสมณทิเป็น มาเป็นสงฆ์ทั้งหมดสงฆ์โยธาแหลมที่เห็นปัจจุบันนี้ก็มีโรงเรียนอยู่หลังนึง ที่ที่เราได้พัฒนาทํากันเสร็จหลังจากเสร็จเรียบร้อยมาแล้วก็ กักน้ําขึ้นมาตอนน้ําเต็มตัวเอง ครับท่านผู้ชมครับผู้ของพระๆแม้เวลานี้ท่านจะ วันนี้หมดเวลานะครับกับผมสุบัติยิดาและสวัสดีครับ